คุรทวนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการสรรเสริญสนทนานะคะก็ ทั่วๆไปทางโลกที่เราได้เรียนรู้กันอยู่ก็เลยมุ่งวันแล้วก็ได้ทํามาโดยตลอด FM 106 และ และก็คงจะต้องขอพูดในอืมอยากจะกราบเรียนถามเช่นว่า ปาจาทุ่มเถียงกันอ่ะทุ่มเถียงกันนี่ก็คือเรียกว่าแทงด้วยหอกคือ 2 <ฮ ะ. S 1> รัฐหรือว่าการที่พ่อ มีก็ยังพูดถึงการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคําหยาบว่ามุ่งมึงนะๆเกิดขึ้นมานะเพราะมีอะไร คือสิ่งนี้เท่านั้นความคิดเห็นแบบนี้เท่านั้นไม่อยากอื่นไม่ได้นะเพราะเค้ามีความหวงกันปุ๊บ อ่าที่มีความตระหนี่นั้นก็เพราะว่ามีความจับอกจับใจ คือถ้าสมมุติใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยกําลังมีปัญหากับใครสักกี่คนใดอีกคนหนึ่งจะทะเลาะกันด้วยวาจาแทงด้วยอกคือ นะที่มีความปรุงใจรักเนี่ยพระเคยพระได้มา มีคณะก็มีความปรุงใจรักมีความปรุงใจรักก็กําหนัดด้วยความพอใจพอกําหนัดละเริ่มมีปณหาละเริ่มมีความสยบโมเม่านะเริ่มมีความจับ การกล่าวคําอย่างว่ามึงๆน้ําบากอกุศลธรรมมากมายเยอะแยะเกิดขึ้นรวมถึงการสงครามอย่างงี้ค่ะคือดิฉันเองเนี่ยก็ๆ ที่ว่าพวกเราทะเลาะกันบางทีฆ่ากันตายซึ่งอาจจะไม่ใช่การ ท่านได้พูดแบบผู้ที่เข้าใจในธรรมะอย่างลึกได้ๆๆอ่านได้เลยซึ่งดิฉันเห็น สามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยธรรมะค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเอ่อพระพุทธองค์ตรัสไว้ เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมา การวิวาทการกล่าวคําหยาบว่ามึงมึงการพูดคําส่อเสียดและจริงๆแล้วถ้า และเราอาจจะยับยั้งได้ทันเพื่อที่จะไม่ให้มันไปว่าไอ้คําที่เรากล่าวว่าเนี่ยนะ นั่นก็คือถ้าเผอว่าความปรุงใจรักจะไม่มีนะความค่ะเอ่อ วันเนี้ยยังไงเที่ยดิฉันก็ตั้งใจที่อยากให้ เราจะไม่ได้ว่าปกป้องตัวเองหรือว่าใครเข้ามาทําอันตรายเราก็ๆที่มันมาถ้าคุณจะมีความปกป้องสิ่ง เอ่อเนี่ยๆเรียนเข้าแต่นี่ในที่เนี้ยกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดแบบอ่าทั่วๆไปที่เข้าใจเลยนั้น จริงๆหวงกั้นกับตรณีเอ่อถ้าภาษาไทยนะคือภาษาไทยอันเดียวกันแต่พอเป็นภาษาบาลีเนี่ยตรณีภาษาบาลีกับ อยากกับความพอใจกับความเพ่งเล็งมันไล่กันเกินไปนั่นก็คือมันมาสายเดียวกันน่ะคือสายของราคะสายของโลภะแต่ว่าระดับเลเวล มะม่วงหำๆแล้วเป็นมะม่วงเอ่อสุกสุกแล้วสุกเอ่อสุกแบบจนปริ <Okay. S 1> เดี๋ยวเนี่ยไอ้ความตระหนี่ก็คือเลเวลของความหวงกันที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปค่ะอ่าอันนี้ มันมีเหตุมาถึงเกิดอ่ะค่ะต้องดับอาศัยสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นๆไอ้ของที่อาศัยกันและกันค่ะรู้ จะรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แหละแต่ แน่จําได้กับรู้เนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคุณคุณจําอย่างสมมุติเราพูดๆคล่าวๆ แล้วก็เลยทําใช่เป็นฝั่งที่เคารพค่ะ สถานที่ที่ผู้ที่เป็นตัวแทนจริงๆพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสในเรื่องนี้จากการตรัสรู้ของท่านให้เราเห็นกระบวนมีๆที่และมี ก็อย่าลืมเอาไปไคลครวนแล้วพยายามพาตัวไป FM 106 ค่ะติดตาม